เจิตใจของตัวจะทำให้หลงหงอยทางดิดีไปต่พเราจมีปัญญาเรื่มีสติสมัชัญยะรู้ทห่ทุกคนไปอย่างนี้มีการที่ยกเอาตัวอย่างพระโรธิสัต์ทั้งหลายหรือกว่าพุทธเจ้าทั้งหลายมหาบุรุษทั้งหลายสรรพคนผูน้ได้พูดถึงท่านยับยังด้วยคติธรรมยังประสบกับ สิ่งใดก็ตามความครบเร้วก็ทบขวางพบการจะราวัดพกของบนะุคคลนั่นเสมอไม่ดีพระองค์ก็ยังพ้นไกลช้วยคุ้งามความดีอาว้าคุ้งามความดีของทงในโยมอดีตที่ผ่านมาหรือปัจจุบันที่ทําพอรับไวสั่งใดนั้นแหละก็จะเป็นที่มึงเวนทจะเป็นที่ให้สำเร็จที่วันใดกว่วันหนะึ่งเวลาไหนก็เวลาหนะนึ่งมันเป็นดีหรือว่าเป็นยาวนาน อันอย่าหลายอย่างเราทำลไปได้ทันทีทีเดีย ว, วมันก็หาได้ยากผู้มีบุญวาสนาจริงๆอาจจะมีเสียงที่ทดสอบเลืทดลองจิตใจไปหลายอย่างนะดังพระธรรมสารคดีพนระธรรมสานนั้นั่นเอไงทีนี้ พอมีสิ่งเลวร้ยวายมาตรวจสอบหลายอย่างเหมนกันในหลวงพุทธยาวเป็นประกาศรในประจำมาช่วงแรกชิงเร็วบรังชิงประหังทองก็ยังไม่ได้ได้ไดชัยชนะที่หนำซ้ำได้อป ร, รายชายไผ่แพ้ด้วยคุนงามความดีทันทีทำรงได้ชนะว่ามาราเริเล น, นี่ษัตริย์ังอาติมาตะาครูตังชาัดตีจอ เราออกอสิ่งทนัพมาด้วยกันเกี่วยวโดยพลังวัตถีปรมมที่ได้กระทั่งมาหรือบงเพ็ญไห้แต่หมรละพระองค์รับเป็นภาพพยามรัะสารทำใหมานขับปร่ชายไฟได้หอนยองปลายแพร่หอมเมื่อเสนนมานทั้งหลายโกราหรือเตานา้มหาสมบทนี้ จับเินเปรานหารแย้แดนตัวพระจมาหัวหน้าจองครับแล้วขับไปโู่ชั้นสัตตีมาชั้นหกตามเคยนิ่ากำยังแม่ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระองค์นั้นขึ้นแล้วปราชนาพระองค์ต่อไปประมาณยังไม่หมดวิสัยมันยังมีสัตญานอัญญากได้ใช้รักษาทั้งสามสาวคือนางอรดีหรือนางกัญหานางราชา นี่ไอ้มารอเป็นผู้สวยสดงดงามเราวา้ับว่าเทพธิดาโวงเมืองแมแ่นสว่รคหรือกับนางทุกสดาอันเป็นรยาของมรินทร์อินเทอร์ราชฎประาณกันนี่สาวทั้งสามสาวอันจะมารอหวงพระมาเอากฎมติเจ้าของเราเป็นกฎมติเจ้าไปแล้วทำให้แผ่นดิน ไปเรือบรราศาักดิ์บรรดาชั่วไปตั้งแต่ถนนเป็นสามนางนันก็ยังที่เจ้าวาระที่ได้ช่องช น, นระพรมโมกุของเรามาได้เพราะพระรมกูของเราเป็นผู้ขาดซึสิน็จไปแล้วเน่ถึงเพ่มีการพักนางสหามทั้งสองถึงสามวาระนงงางสนามมีความร้ายไปดูก่อนนานราคะ รูป่อนนางชนารูป่อนนางออรเดท่านี้เป็นผู้มาเกีย่ยวของหมายว่าเจ้ายอดหญิงสุริยโสธราเป็นนางเอกยิ่งใหญ่ในโลกจะหาหญิงไหนเพียกรารมาได้พร้อมกับสตรีรูปกรัตรบกเงินใสมันหนายังไม่ทำสวยงามใบหน้าประพักสมรกันทุกนาง นี่พระยังค่าดีเบอเร์เลบเบิออกมาที่จะแสดงหาประทิยาให้สราาเร็ตกดังความหวังนากานนี้แดดเป็นวระออกปีมาแล้วที่ได้การกระอำพระหยัง<ป>เรารู้เห็นเป็นพยานทำไมศาสนาที่ดาของพยามาณ น, นี้มาทำอย่างนี้ตอบใจขอให้ ศีรษของปริยมานเป็นรูปเท่ารูปสิเลตกยานตกค้องน้อยว่าเร็วสัพหะศีสุยมณีตมเถระน้ำรายใสพันธ์พิดาีรของสามสาวประยมานเป็นรูปสวยงามราวสบห้าปีหรือสีปีท่านใดนั้นเป็นหญิงแก่ชาราเดินโยกหน้าโยกรลังทั้งร่างกายก็ เงาลายพร้อมเละหนังก็ยวดยานไปนองก็ยานไปแก้มกระตอบไปผมก็มอไปเซนปีนี้พ็ความีสุขจูพติกาตมทำให้ราชธิดาของพย า, ามาลท้สานั้นอรายแล้วไอ้ที่ไปสูงบัตรระตีมาปนปะการพูดพระราชธิดาทำให้พย า, ามารนั้น อัออตตสุราแม่งความปวดแต่ว่าจะอาจค่องทางที่จะมาชิงใครยิต่อไปมาได้แล้วถ้านี้ถึงพระบาทแล้วองค์พระเสด็จในระโอคานั่นก็คือศีต็จสมยมุนีพระวงนี้เริดสมเพรีนง ใ, ใจยิ่งใหญ่ในกาลาโร อาจจะเป็นครูเป็นสัจจาสัจส น, นมนุษย์เกิดจะดามานผมให้ถึงทุสองประการค้าถึงคุณของพระองค์นั้นไว้เนื้อเสียงและถึงพระธรรมธรรสัจสอนของพ ร, ระองค์นั้นถึงทั้งที่พระริญส่งสารพระอง์ใดองค์หนึ่งเป็นกุศลของข้าที่จะได้บรรลุข้ารหัการข้าถึงพระรัตนตรัยราชนาโพธิญาณต่อไป ขอให้ได้มีวิสัยดังพระองค์นี้เถอ ด, ดีเพราะฉะนั้นพระยมารจะได้ตัดพระนุษย์เจ้าองค์ที่สี่ับรับดับพระศีไปเป็นองค์ที่หนึ่งที่สองพระรามอระโทนที่สามธรรมราชที่สี่นรธรรมมาสานีฮะองค์ที่สี่ แต่งงานวันนี้